นัตถิกัมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับ เมื่อครั้งที่หลวงพ่อกบนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จําพรรษาๆชํารุดสุโสมมีสภาพ หลวงพ่อกบเป็นพระภิกษุที่ไม่ บ่อยครั้งและท่านจะนอนเอาผ้าคลุมแล้วนอนนิ่งไม่กระดุกบ้าง 7 วันบ้างโดยที่ไม่ลุกขึ้น สืบเนื่องจากท่านจับกบมาให้ลูกศิษย์กินรายละเอียดของเรื่องเอามีอยู่ว่าคืนวันหนึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักพอฝน ท่านก็ออกมาบอกกับลูกๆหลวงพ่อหายไป เสลลาท่านก็เดินดุ่มเข้าห้องของ พอเปิดฝาห้องแทนที่จะเห็นกบกลับมีแต่ กับตาปลาขาวอีกคนนึงเดินทุรดงมาถึงวัดเขาสาริกาก็ขอพักอยู่กับหลวงพ่อ หิวค้องเดินขึ้นบันไดมาพอหลวงพ่อก็บอกกับพระทุกรูปว่าฝนตกอย่างนี้ไม่รู้จะบินทะบ่าที่ไหนได้เลย อีกทั้งยังสั่งว่าให้เหลือกบพริกหัวหอมตะไคร้ใบมะกรูดเท่าที่จะหาได้ หลวงปู่พรหมมาถึงได้คลายสงสัย ว่าแล้วหลวงพ่อกบก็เดินหุบลงบันไดหายไปหลวงปู่ๆว่าคราวเนี้ยจะมีอะไรมาแสดงให้ดูอีกหนอ ฉันอิ่มแล้วยังเหลือปลาตะเพียนปิ้งอ่าแล้วเก็บเอาไว้ฉันเพล แล้วก็เล่าให้ลูกศิษย์ของท่าน คือคนทําธุรกิจการค้าบางครั้งก็มีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นบางทีก็มีการขัดผลปืนปองร้ายหลายครั้งแต่ว่ากลุ่มมือปืนรับย่างตามประกอบยิงก็ต้องหยุดชะงักทุกครั้งจน ถ้าผืนหญิงก็อาจจะโดนพระ อ่าก็โบราณแบบนั้นน่ะพอมีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงพ่อก็ผลัดกันถ่ายรูปกันเป็นครอบครัวเพื่อเก็บเอาไว้บูชาเป็นสิริมงคลพอมาถึงครอบครัวคุณรังสรรค์ก็เข้าไปถ่ายได้ประมาณ 2 ภาคอ่าทุกคนก็ เท่าที่จําได้ว่ากฎจติกาตอนนั้นอนุญาตให้แต่ละครอบครัวถ่ายพวกคิวต่อไปนี่นะเสร็จแล้วก็เลยคุณรังสรรค์กับพวกก็ เมื่อกลับมาถึงก็ลองเออปาฏิหาริย์อย่างนี้ก็มีด้วยวันณลำปางและเพื่อน 500 S ล่อ jaarล. เราร吧. เดรากที่จัดกของรถพราไมวตัวประเวทิเพeso mafia Laura T. สำหารเดร็จก standalone ไว้ มารับหลวงพ่อเกษมเพื่อจะกลับสุสานเขาเล่าว่าเมื่อหลวงพ่อเกษมนั่งบนรถที่พกมาด้วยว่า เอาขนมปังนี่แจกทหาร 4 ชิ้นนะแจกชาวบ้าน 3 ชิ้น ออกมาตรงๆได้เงินมา 11 คน 20,000 บ้างทั่วทุกคน 20, หลวงพ่อเกษมบอกปริศนาแก่เค้าเค้าแทงเลข 519 ถูกอีกเป็น